พระพุทธเจ้ายืนยันว่าทรงมีความสุขยิ่งกว่าบุคคลที่โลกถือกันว่ามีความสุขที่สุดพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงมีความสุขอย่างยิ่งสุขยิ่งกว่าบุคคลที่โลกถือกันว่ามีความสุขที่สุดคือพระราชามหากริย์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบพวกนักบวชนิครนซึ่งกำลังบันเพนตบะ ประพฤติพรตทรมานตนต่างๆและทรงสนทนากับนิครนเหล่านั้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อบรลุจุดหมายแห่งาศาสนาของเขาพวกนิครนบำเพ็ญตบะทรมานตนเพราะเขาถือหลักการอย่างหนึ่งว่าความสุขจะบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์และเพื่อให้มีหลักฐานเสริมคําอ้างของตนพวกนิครน ก็ยกเอาพระเจ้าพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนลุถึงความสุขได้ด้วยความสุขละก็พระเจ้าพิมพิสารจะต้องทรงบรรลุความสุขหมายถึงความสุขสูงสุดที่เป็นจุดหมายของศาสนาเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธองค์การได้พูดในครรนกล่าวอย่างนี้ก็เพราะพูดไปตามความรู้สึกสา ม, มัญที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติ และพระราชาอำนาจพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการคงเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสละโลกิยะสมบัติแล้วเที่ยวจาริกเร่ร่อนไปประทับนอนตามภูผาป่าไม้และปฏิบัติศีลวัดทางาศาสนาซึ่งก็คงทุกข์ยากลําบากลําบนเหมือนกับปกตนแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธโดยทรงสแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หลักฐานที่พวกนิครนยกขึ้นอ้าง เพื่อสนับสนุนหลักการของพวกตนนั้นก็เป็นหลักฐานที่ผิดพลาดใช้ไม่ได้เสิแล้วเพราะพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้มีความสุขกว่าพระองค์เลยแต่ตรงข้ามพระองค์มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรก็ตามการที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์มีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารถ้ามองด้วยสายตาของคนสา ม, มัญย่อมเห็นได้ยากเพราะคนทั่วไป ย่อมมองที่ความเป็นอยู่อันพรั่งพร้อมสมบูรณ์ภายนอกเหมือนอย่างที่พวกนิครนมองนั่นเองเช่นดูที่ทรัพย์สมบัติอำนาจยศศัดกดิ์วริวารณเป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสละหมดแล้วและซึ่งว่าโดยความจริงแล้วก็ไม่อาจใช้วัดความสุขที่แท้จริงของคนได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงเสนอข้อพิสูจน์ด้วยสิ่งเหล่านั้น แต่การที่จะวัดความสุขแท้จริงภายในใจซึ่งหมองไม่เห็นก็ทําได้ยากพระพุทธเจ้าจึงทรงเสนอข้อพิสูตรซึ่งวัดความสุขภายในชนิดที่แสดงออกมาให้เห็นได้ภายนอกอย่างชัดเจนเป็นข้อตัดสินให้เห็นชัดได้เด็ดขาดโดยตรัสถามว่าพระเจ้าปิงพิสารจะประทับนิ่งไม่ไหวติงพระวรกายไม่ตรัสอะไรเลย อยู่เสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้นล้วนตลอดเวลาเจวันหรือแม้แต่เพียงชั่วคืนเดียววันเดียวได้หรือไม่ก็ได้รับคําตอบว่าไม่ได้แล้วตรัส ถ, ถึงพระองค์เองบ้างว่าทรงสามารถประทับนิ่งไม่ไหวติ่งพระวรกายไม่ตรัสอะไรเลยเสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้นลวนตลอดสองวันก็ได้สามวันก็ได้ตลอดจนถึงเจวันก็ได้ พวกนิครนจึงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านเปรียบปีติความเอิบอิ่มใจที่ได้จากกา ร, รมคุณทั้งห้าว่าเป็นเหมือนจุดไฟโดยใช้หญ้าและไม้เป็นต้นเป็นเชือ้อถึงจะมีแสงสว่างแต่ก็ไม่เจิดจ้าจำนวนมากนักเพราะมีสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นควันเป็นต้นส่วนปีติที่ไม่ต้องอาศัยกาม ไม่อาศัยอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนจุดไฟที่ไม่ต้องใช้หญ้าและไม้เป็นเชือ้อแสงสว่างจะ บ, บริรสุทธิ์ใสนวลแจ่มจ้าไม่มีควันหรือมลทินใดรบกวนหมายเหตุเชิงอัดตามความในสูตรว่าไฟที่จุดโดยไม่ใช้หญ้าและไม้เป็นเชือนั้นเป็นเพียงข้อสมมติเป็นไปไม่ได้ในเวลานั้นนอกจากบรรดาดลริ แต่ในสมัยปัจจุบันพอจะเห็นว่ามีริสสมัยใหม่ที่จะทำไฟเช่นนั้นได้